ท่านพูดว่าคำว่าโลกก็คือมูสัตส ต, สต์สัตตะแปลว่าผูกสัตตะแปลว่าผูกข้องยังติดยังข้องอพ า, ายพาข้องเพียยงธรงมนั้นขอสราบกันแล้วท่านปนานนาว้ตั้งหลายพบหลายภูมเพื่อนแนตั้งแต่ภูมิ สถานที่ที่จิตจะต้องไปทั้งนั้นทึงเรียกมาจิตนี้เป็นนักท่องเถื่ยวเที่ยวไปไม่หยุดไม่ถอยไม่มีกลัวหรือไม่กลัวก็ต้องไปเรียกว่าเป็นนักต่อสู้คุณชื่อว่านักแล้วมันต้องเป็นอย่างนั้นถ้าไม่ถ้าไม่เป็นอย่างที่ว่าก็ไม่เรียกว่านักจะสู้ไม่ถอยพบภุมิต่างๆไปได้หมด นั่นแตนน ร, อรกอเวจีอะไรอย่างนี้ซึ่งเป็นสิ่งสถานที่เดือดร้อนวุ่นวายมากมายก่ายกองยังต้องไปนะี่ห่อนักต่อสู้ทําไมอะไรทำํทำทําให้เป็นเป็นนักต่อสู้ก็คือมีเส้นหนุนนั่นเองท่านเรียกว่ากรรมเป็นเส้นหนุนกามาพบู้ประพบอรูประพบนี่ท่านพูดวตากว้างสามนะ โลกเหล่านี้ก็มีมากน้อยอย่างไรถ้าจะเป็นน้ำได้เพียงในบริเวณวัดนี้มีจำนวนมากเท่าไหร่สัตว์ที่ที่เกิดที่อยู่ในที่มองเห็นด้วยการเนื้อก็กมีที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยการเนื้ออันเป็นละเอียดแม้จะเป็นด้านวัตถุแต่ไม่สามารถมองเห็นด้วยการเนื้อก็มีที่ไม่ที่ไม่ใช่ด้านวัตถุเป็นนมามธรรม พบเป็นนามธรรมภูมิเป็นนามธรรมก็มีเพราะฉะนั้นเรื่องสัตว์โลกที่เกิดมันจึงมากมายกายกองมันถัดมันเปลี่ยนกันมาเรื่อยๆเล ย, เล ย, เล ย, เลยมันมากต่อมาก ถ, ถ้าเป็นสิ่งที่เรามองเห็นด้วยตาเนื้อนี่แล้วเราจะหาที่เหยียบยากไปไหมเลยเต็มไปด้วยจิตริญญาณเต็มไปด้วยพบด้วยชาติของสัตว์ประเภ ท, เทต่างๆทั้งหยาบทั้ ง, ง, งละเอียดเต็มไปหมด แม้แต่ช่องลมหายใจของเรามันยังมีว่างในตัวของเรามันก็มีไม่เพียงแต่วิญญาณคือจิตของเราดงเดียวเท่านี้ในร่างกายของเรานี่มันยังมีเป็นพบเป็นสถานที่ของสัตว์ประเภทหนึ่งๆที่อยู่ในที่หนักมันมีอยู่หมดทุกแห่งทุกหนแม้แต่อ า, อากาศกลางหาวมันก็มีใต้น้ำบนบกมีไปหม ถ้าเรายังจะมาสงสัยอยู่หรือว่าตายแล้วไม่ได้เกิดแล้วอะไรมันเกิดหรือเวลานี้เกลื่อนแผ่นดินอยู่นี้เรายังจะสงสัยอะไรอีกความเปิดก็ดแสดงให้เห็นอูทุกแห่งทุกผลทั้งหยาบทั้งละเอียดทั้งในน้ําบนบกมันมีอยู่หมดบรรดาสัตว์เรายังสงสัยอยู่เหรอว่าตายแล้วไม่ได้เกิดแล้วอะไรมาเกิดเมืม่อมันเกิดไม่ได้อะไรมาเกิด มันมันสูญไปก็จริงๆตายแล้วมันศูญไปจริงจิงแล้วอะไรมาเกิดก็คือสิ่งไม่ศูญ น, นั่นเองถ้าให้มาเกิดอยู่เวลานี้ถ้าเราจะเป็นลกกลางสิ่งที่มีอยู่ให้มันศูญก็ ไ, ได้ยังไงความจริงมันมีอย่างนั้นแล้วมีจะมีใครเป็นผู้ช่งางแหลมคมรู้รายละเอียดละออทุกสิ่งทุกอย่างตามที่มีอยู่เหมือนพระพุทธเจ้ามีที่ไหนพวกเรานี่มันลูบคลำไปรูบคลำไป อทำไม่เห็นก็ว่าไม่มีไปโดนเอาเสียเนี่ยว่าสิ่งไม่มีนะ่ะไปโดนเอาร โ, โดนเอาเพราะเราไปเยหยียบฝากเหยียบน้ำเหยียบอะไรนะั่นเราเข้าใจว่าไม่มีในขนะที่เหยียบแต่แล้วกวับน้ำที่เราว่าไม่มีนั่นแหละมันตักเราเนี่ยเพียงทอนนี้ก็พอทราบได้ว่าคนเชื่อแล้วหรือความรู้ความเห็นต้องตัวเองแม้แต่น้ำแบบหยาบมันยังไปเหยียบถ้าเข้าใจว่ามีไปเหยียบทําไมนะ หวัวต่อไปโดนมันทำใหม่ไม้ไปโดนมันทำใหม่ถ้าแน่ใจว่ามีใครจะไปกล้าโดนใครจะไปกล้าเหยียบหนามไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยมันเรื่องเรื่องเจ็บนีแล้วทําไมถึงได้โดนกั น, นเรื่อยละ่กะก็เพราะความสําคัญว่าไม่มีนั่นเองในขนาดนั้นมันจะเหยียบย่างตรงที่นั่นเราไม่มีเวลาจะโดนก็เข้าใจว่าสิ่งที่มาโดนเรานั้นไม่มี แต่มันก็โดนเพราะมันมีน่ะมันมาอยู่ในความส้องพันของเรามันอยู่กับความจริงอันนี้ก็เหมือนกันเรื่องพบลงชาติเอถ้าเห็นตายเห็นอยู่เกลื่อนแขันดินอยู่เฉพาะในโลกของเรานี่ก็เห็นกันอยู่เกลื่อนแขันดินอยู่แล้วเราจะปฏิเสธเราจะไปลบล้างอะไรอี๋ว่ามันไม่เกิดมันตายแล้วมันศูญสิ่งที่มาเกิดนั้นอะไรมาเกิดถ้ามันศูญไปจริงแล้วมันมาเกิดได้ยังไงนั่น มันไม่สูงทั้งที่มันถึงมาเกิดให้เห็นเกิดให้เห็นตายเห็นอย่นั่นแหะมีด้วยแน่แต่สิ่งไม่สูนนั่นแหะมันต้องมีเกิดมีตายเห็นดีทัดทัดเราสงสัยที่ไหนอีกเราไม่เชื่อพระเจ้าล้วเชื่อเราเองไงความรู้ความเห็นเราขนาดไหนถึงจะเชื่อตัวเองจนสามารถ ไปลบล้างความจริงที่มีอยู่ให้ศูนย์ไปตามความรู้สูงของตนทั้งๆที่ตนไม่สามารถจะรู้เนี่ยแต่ทําไมจึงสามารถอาจเอื่อมไปลบสิ่งที่มีเมื่อเราไม่รู้เราไปลบทําไมมันโง่สองท่านสามท่านเรายังจะว่าเราฉลาดอยู่หรอือแล้วมีนัปาชที่ไหนบ้างที่จะมาสอนเราให้ถูกต้องเป็นธรรมตามหลักความจริงเหมือนพระพุทธเจ้าและเหมือนาศนาสนธรรมที่พระองค์ท่านสอนไว้นี้ เราจะไปหาที่ไหนเราไปหาที่หมดแผ่นดินโลกอันนี้ก็ไปหาที่ใครจะสอนให้ตรงแนวตามหลักแห่งความมีความเป็นความจริงดังพระพุทธเจ้าหลังสาธรรมท่านสอนไว้นี่เรายังไม่เห็นว่าเป็นของสําคัญอหรือโอวาทถ้าเรายังไม่เห็นโอวาทซึ่งเป็นของแท้ต้องจริงว่าเป็นของสําคัญตัวเราก็หาสาระอะไรไม่ได้เลยนั่นเองใ น, นขณะเดียวกันมันกำมังลบล้างสาระคุณอะไรท่องเราออกหมด าะเป็นคนไม่ไม่สำคัญไม่มีสาระอะไรทั้งหมดไม่มีความหมายเลยเพราะสิ่งที่มีความหมายโลกเราไม่ให้ความหมายเท่านันสิ่งที่จริงเราไม่ให้เป็นตามความจริงของเขาเนี่ยเาไปลบล้างเสียหมดมันไม่มีอะไรเหลือทั้งๆ ท, ที่สิ่งนั้นก็มีอยู่เพราะคุณถ้าสะท้อนกรรมมหาตัวเองขาดทุนทั้งขึ้นทั้งล ง, งนี่เป็นการดีมากวาสนาเรามีถึงได้มา พบพระพุทธศา ส, าสนาศาสนาธรรมมันเป็นธรรมที่ถูกต้องตายตัวแล้วได้น้อมใจเข้ามาประพฤติปฏิบัติถวายกายวาจาใจตลอดชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างกับพระพุทธเจา้าพระธรรมพระสงฆ์นำรงตนอยู่ด้วยศีลด้วยธรรมประพฤติคุณงามความดีตอลอดมาที่ว่าเป็นวาสนาของเราูคือไม่มีโอกาสที่จะทำอย่างนี้มีจํานวนมากมายหายกองอาเพศที่ ที่ันเป็นอย่างนี้มันจะมีแค่เปอร์เซ็นเดียวหรือไม่ถึงเปอร์เซ็นธรรมดาถ้าเทียบคนทั้งโลกแล้วอืเรานัาข้อในจํานวนเปอร์เซ็นอันนี้แต่พ อ, ร อ, พ อ, ห, พอนนหรือไม่พอกันหน้ข้อในจำนวนเปอร์เซ็นที่ที่วันหนึ่งเปอร์ซ็นหรือไม่พอเปอร์เซ็นนี้เป็นฝ่ายที่ดีความเกิดความตายมันเห็นอยู่ชัดๆภายในจิตเพระาะฉะนั้นขอให้เรียนเรื่องความจริงซึ่งมันมีอยู่ที่จิตมันเกิดยที่นั่นมันตายที่นั่นเชื่อให้เกิดเชื่อเหตุให้ตะ เหตุผลให้ตามมีอยู่ที่จิตเมื่อนเราเรียนเราประพฤติธปฏิบัติทางด้านจิตตะภาวนาคดสอบเข้ไปหาความจริงซึ่งมีอยู่ภายในจิตทั้งเรื่องเกิดเรื่องตายเรื่องพัวพันอะไรทั้งหมดเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องบุญเรื่องบาปเรียนเข้าไปตรงนั้นจะไปเจอที่นั่นหมดเมื่อไปเจอด้วยใจตัวเองพูดง่ายๆก็เหมือนอย่างเราไปเห็นด้วยตาเนื้อของเราแท้จริงๆนี้เราจะลบล้างได้ไงปฏิเสธได้ไงว่าสิ่งนั้นไม่มี แต่ก่อนเราเข้าใจไม่มีแต่เมื่อไปเห็นด้วยตาเจงของแล้วเราจะพิเสตรได้ไงเราเป็นคนเห็นเองทันลบกันลบเราิเองความลูกตางเราออกเสียลูกตานี้มันโกหกนะเราจะไปลบล้างอันนั้นเราไม่มีเพราะสิ่งนั้นมันมีตาเราก็เห็นหนักเนี่ยที่ลบล้างไม่ลงลบล้างไม่ได้เพราะเราเห็นด้วยตาของเราเองสิ่งนั้นมีอยู่จริงครับ เป็นด้านวัตถุที่เราจะจับได้แล้วก็จับมันมามาได้อีกไม่เพียงแต่เห็นได้เฉยดูเฉยยังจับได้สัมผัส ด, ด้วยมืออีกนะแล้วเมื่อเป็นเะนนั้นแล้วเราจะลบล้างได้เหรือว่าสิ่งนั้นไม่มีสิ่งที่เราถืออยู่นั้นอ่ะสิ่งที่เราดูอยู่นั้นอ่ะเราจะลบล้างได้ไหมว่าไม่มีนี่แหละเรื่องของความจริงเป็นอย่างนี้แล้วผู้ที่รู้ความจริงท่านก็รู้อย่างนี้ท่านจริงลบล้างไม่ได้ ท่านจึงสอนตามความมีความจริงให้เราดําเนินตามนั้นจะเป็นทางที่ถูกต้องดีนามเป็นความสวัสดีมงคลแต่เราพูดมุ่งหวังความพ้นทุกมุ่งหวังต่อความจริงนับแต่ขั้นต่ําำสุดถึงขั้นสูงสุดเป็นความจริงไปล้วนๆผู้ียกจิตตะภาวนานั่นแหะเป็นผู้ที่จะสราบในคัดเปลี่ยนภาริตมันก็เพิ่มทั้งวันจิตตลอดเวลา พอเพื่องเรื่องความเกิดความหนับความเกิดความห น, นับมันมีเชื้ออยู่ภายในผลักดันให้มันออกมาสแสดงตัวมันตายไม่ได้มันมีอัตภาพหนึ่งนี้มันก็ดูเพียงแค่นี้ถ้าว่ามันสามารถที่จะเอาได้อีกสักกี่อัตภาพวันหนึ่งมันจะได้เป็นล้านๆอัตภาพนู่นน่ะคนคนหนึ่งเพราะมีความติดความหล้องความรักความชอบใจรักก็ติดชังก็ติดโกรธก็ติดเกลียดก็ติดนายกกอะไรอะไรมันติดทั้งนั้น เอาคำมาติดอะไรแล้วให้เป็นพบเป็นท่าขึ้นมาตามความจิตตามความติดของใจเราเลยวันหนึ่งจะมีสักกี่ล้านอัตภาพให้ตัวของเราเองแต่นี้มันได้อัตภาพอันเดียวเท่านั้นมันเป็นเพียงมาคิดเป็นเพียงมายึดอยู่ตัวจิตนี้มันไม่อาจเลื่อมที่จะถอนออกจากอัตภาพนี้ไปเข้าสู่ในสิ่งที่มันติดนั้นได้มันจะมีเพียงอัตภาพเดียวนี่นี่แหละความจริงเป็นอย่างนี้ แล้วการเรียนก็เรียนอย่างนี้เรียนให้ทราบวิถีของจิตที่ไปชิดไปตําหนิติดชมกับสิ่งใดไปติดกับสิ่งนั้นตําหนิก็ติดชมก็ติดถ้าจิตอยู่ในขั้นที่จะควรติดแล้วติดทั้งนั้นเป็นไม่ถอยเรื่องติดเพราะฉะนั้นเรื่องเกิดเรื่องตายของจิตจึงไม่มีถอยเรื่องขูดเรื่องทุกข์ของจิตจึงไม่มีถอยมีประจําจิตอยู่ด้วยกันทั้งนั้นเพราะจิตเป็นผู้ไม่ถอยในการกระทํากรรม ได้แต่ดีชั่วที่ปรากฏขึ้นประจุแล้วเราจะปฏิเสธได้ยังไงเมื่อจิตมันก็เป็นอยู่อย่างนี้เห็น ท, ทัดๆภายในตัวของเราเองกานเรียนจริงเรียนลงที่นี่เมื่อเรียนลงไว้ที่นี่แล้วก็รู้ชัดเจนโดยลำหนับำลำหนอันใดที่คนต่อยเมื่อมีความสามารถอาจรู้โดยสติปัญญาแล้วมันต่อยมันไปเองต่อยแล้วอันนั้นไม่มีอันนั้นไม่มีต่อยแล้วอันนั้นไม่มีนนมมนนมมค่อยหมดไปหมดไปหมดเข้ามาย่น เ, เข้ามาย่น เ, เข้ามา ปอยตั้งแต่กว้างเข้ามาวงแคบปล่อยเข้ามาปล่อยเข้ามาจนกระทั่งมันเหลือนิดมันก็รลูว่านี่เชื้อแห่งภพยัง ม, มีอยู่ภายในใจนี่แหละเชื้อแห่งภพคือเรื่องจะเกิด่ะบอกแล้วบอกมันดีในจิตมันรู้ทัดๆนี่เราจะลบได้ยังไงว่าจิตเมื่อตายไปแล้วจิตจะไม่พาเกิดอีกมันรู้อยู่อย่างนั้นเห็น ช, ชัดๆยังมีมากมีน้อยเมือ่อดำเนินเข้าทางด้านจิตใจมันจะเห็นมากน้อยตามส่วนของมันด้วยปัญญา ไม่มีอะไรที่จะรู้ชัดเห็นชัดจะแหลมคมยิ่งกว่าสติกับปัญญามันตามรู้หมดอะไรที่มาเกี่ยวข้องกับจิตจิตจะเป็นสาเหตุให้ไปจิตจะไปเกิดที่นั่นหรือไปรับไปชังนี่มีอะไรเป็นสาเหตุมันรู้ทั้งสาเหตุด้วยเมื่อรู้ทั้งสาเหตุแล้วมันก็ตัดได้ตัดได้เป็น ล, ำลํำดับ ล, ลํำดับจนกระทั่งไม่มีอะไรเหลือเลยตัดขาดออกหมดโดยประการทั้งปวงทีนี่ก็ทราบชาดัดว่าไม่มีเงื่อนต่อแล้วกับจิตนี้ ที่นี่จิตนี่สูนไหมนัะทั้ำนะกับอีกสิทิ้งเมอไมีอะไรเงื่อนต่อแล้วหมดแล้วเรื่องความที่จะไปตาจะเกิดต่อไปอีมนี่เป็นอันว่าหมดปัญหาแล้วกับจิตตรงนี้ที่นี่จิตดวงที่หมดปัญหานี่มันศูนไหมนัน่งอีกย้อนลงไปอีกมันยิ่งเด่นนะ่แล้วอะไรมาศูนฮนี่เราความจริงมันเป็นอย่างนี้เราจะอะไรมาสูนมันยิ่งเด่นเด่นยิ่งกว่าแต่า ก, กา่อนเด่นจนพูดไม่ถูกนีมันขัดหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว ขึ้นชั่วปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกิดให้พาเกิดพาต า, า, า, าให้ภารักพาชังพายุ่งเหยิงวุ่นวายมากน้อยตามส่วนหนึ่งเครื่องมันที่มีอยู่าในใจได้หมดทิ่งไปแล้วะไม่มีอะไรเงื่อนต่อแล้วฮแล้วผู้ที่ไม่มีเงื่อนต่อตนเองคือผู้บริสุทธิ์นี้ศูนไปไหมทิ้งนานแบกนี้ออทำชัดๆอย่างนี้แล้วจะลบได้ไหมเี่ย ลบความจริงที่มัน ร, ร, รู้อย่างเนี้ยลบได้ไหมให้ศูนย์ได้ไหมฮะ ใ, ใครจะไปลบก็รู้อยู่ก็ก็ เ, เรียนเพื่อความจริงกิงยังไงก็ต้องดูอย่างนั้นรู้อย่างนั้นเห็นอย่างนั้นแล้วจะไปลบมันได้ยังไงนี่แหละความเบื่สุดที่ไม่ต้องเกิดคืออันนี้แล้วอันนี้จะศูนย์ไปได้ยังไงจริงใครจะมาตั้งอยู่เหมือนหม้อหายตายผ่านแล้วนี้มันตั้งไม่ได้เพราะมันไม่ใช่หม้อ มันจิตจิตธรรมดากับจิตบริสุทธิ์มันผิดกันอีกผิดกันามากมายเราจะมาตั้งให้เห็นว่านี่มีอยู่อย่างนี้นี้มันไม่ได้อีกเพราะไม่ใช่ฐานะของจิตประเภทนั้นที่จะมาตั้งแบบนี้มีอยู่แบบนั้นเองแบบบริสุทธิ์เนี่ยที่ท่านที่ท่านว่านิพพานอังปรังสุญยัง ศูนย์แบบนี้เองแบบที่ว่านขค้นชื่อว่าสมมุติทั้งปวงศูนย์สิ้นไปหมดไม่มีอะไรเหลืออยู่แม้นิดประ ม, มันนี้ไม่มีเหลือเลยท่านจะเรียกว่าศูนย์ผู้ที่รู้ว่าสิ่งทั้งหลายศูนย์ไปแล้วจากใจนั่นแหละคือตัวจริงและนั่นแหละคือผู้บริสุทธ ผู้นี้จะสูญไปได้ไหมไงผู้นี้จะสูญไปไหนที่นี้ยิ่งเด่นยิ่งชัดยิ่งเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างผู้นี้ไม่สูญนั่นนี่แหละผู้นี้แหละเป็นผู้รับคุณสมบัติอันยอดเยี่ยมในบทที่สองว่านิพพานังปรามังสุขขังคือผู้นี้แหละผู้ไม่สูญผู้บริสุทธิ์นี่แหละเป็นทื่ว่านิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งหมายถึงจิตธรรมชาตินี้ ดวงนี่แหละหากว่าศูนย์ยจริงแล้วําไมบททําบทนี้จะขึ้นรับกันไม่ได้จะอะไรมารับมันศูนยหมดแล้วจะอะไรมาเป็นสุขอย่างยิ่งได้ละ่ะเนี่ยโลกคือมูสัตมูสัตตรงนี้เองตรงที่มีเชื้อให้เกิดอยู่ภายในจิตนี้เองท่านเรียกว่ามูสัต เกิดโทษโลกดินแดนตายโทษโลกดินแดนก็คือธรรมชาติอันนี้ไม่มีอันไดเป็นผู้เกิดผู้ตายที่เกี่ยวกับเรื่องความทุกข์ความลำบากชาติไปดูขาชะลาไปดูขามานําไปดูขังธรรมชาติอันนี้เองพอได้ถูกชำระหมดไม่มีอะไรบรรดาที่เป็นเชื้อบรรดาที่เป็นข้าสุดแล้ว ธรรมชาตินี่แหลคือวิวะตะ์หนักกับกันญยอะที่สโลกคือมูสัตว์ก็พูดไม่ได้แนละ้วหมดปัญหาที่จะว่าโลกคือมูสัตว์ของผู้บริสุทธิ์นั้นท่านเราให้พยายามปฏิบัติให้เรียนตามหลักความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไวน้เนี้ในธนทมท่านว่า สวัสดิตัวพระกรตาธรรมโม พ, พระธรรมอันพระผู้พระเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วาางานทั้งสิ้ชอบทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็ น, บ น, นเบื้องต้นเป็นอาทิกนิยานังเหุไตรลักเพราะพิ้งเต็มไปด้เหตุด้วยผลทั้งเบื้องต้นมัชเชกนิยานังไตรลักเพราะพิ้งเต็มไปด้เหตุโดยผลเป็นไปด้วยความถูกต้องดีงามทั้งทารามกลางประโยน์ประโยชสารนักนิยานังไตรลักในที่สุด คือทราบซึ่งเป็มไปด้วยเหตุโดยผลด้วยความถูกต้องดีงามไม่มีอะไรที่จะเป็นที่ตำหนิจิเกียนพระธรรมที่จะไปชอบแล้วนั้นสิ่งที่น่าจิเกียนและสิ่งที่น่าจะต้องแกหน่าแก้ไขยอย่างยิ่งก็คือจิตคือพวกเราผู้ฝืนหลักฐานสวนขาธรรมอยู่ตลอดเวลา ก็คือพวกเราผู้มีกิเลสกิเลสพาให้ฝืนเราเองใครก็ต้องการความสุขความเจริญด้วยกันต้องการความพ้นทุกข์เหมือนกันจะไปฝืนยังไงฝืนความจริงของอุ้เจ้าแต่กิเลสมันพาให้ฝืนจะว่างไงถึงกิเลสเนียมนานมากกว่ามันก็ลากเราไปให้ก็เลยกายเป็นว่าเราฝืนทําไปเอืมที่เมื่อเราฝืนทําแล้วเราก็ได้รับความทุกข์ เ, เกเเเิดก็เป็นเราแก่ก็เป็นเราเจ็บก็เป็นเราตายก็เป็นเราทุกข์ยากลาบากแบบไหนแบบไหน เราเป็นคนรับแล้วทั้งหมดเราผู้ฝืนธรรมเนี่ยรับธรรมท่านไม่รับเออธรรมธรรมท่านเป็นธรรมพระพุทธเจ้าท่านไม่รับสาวกท่านไม่รับผู้ที่รู้ชอบตามหลักสวดคาธรรมมีแล้วไม่มีใครจะมารับเคราะห์รับกรรมย่างพวกเราที่ฝืนธรรมนี้พระด้านจริงให้เห็นโทษแห่งความฝืนธรรมของตนว่าเป็นของไม่ดีมีแต่เรื่องความทุกข์มากน้อยตามความฝ่าฝืน ด้วยอำ น, นาจของกิเลสพาให้ฝืนนั้นแล้วพยายามแก้ไขดัดแปลงหรือฝึกประมาณชําระสาสาร ส, สิ่งที่มันพาให้ฝืนนั้นออกจากจิตใจแล้วเราจะได้คล้อยตามธรรมทราบซึ้งในธรรมไปเรื่อยๆความทราบซึ้งในธรรมนั่นแหละคือกิเลสมันเบาบางไปแล้วเราจะมีความทราบซึ้งดื่มดํามีความพอใจบําเพ็ญศีลบาเพ็ญธรรมทำมีเป็นกิเลสล้นล้นเต็มหัวใจแล้วไม่มีใครอยากจะสนใจเรื่องอัดเรื่องธรรมเลยะ นี่าวันเรามีวาสนาเรามีความชอบความพอใจอยากไปวัดไปว า, ต า, วาแต่บาเพ็ญสีเนิมันเป็นทานบําเพ็ญภาว น, นานี่คือคว่ากิเลสของเราเบาบางลงแล้วเรามีช่องมีทางที่จะไปมีความดูดดื่มมีความเผาอกพอใจมีความเชื่อความนิใในมิตในธรรมนี่เป็นเรื่องของธรรมธรรมรสทําเป็นเครื่องคุ้มครองจิตใจของเรากิเลสมันมีก็จริงแต่ฝ่ายธรรมขอเราก็มีพอต่อสู้กัน หากมีแต่เรื่องของกิเลสล้นลนแล้วขึ้นชื่อว่าความดีนี่มันถือว่าเป็นการทํายากทั้งนั้นแล้วไม่สนใจจะทำํำสนใจจะเรื่อนจะปีนเปลี่ยวกับความจริงความถูกต้องมีงามโดยถ่ายเดียวจึงรับเอาตั้งแต่ความทุกข์ความลําบากมาแต่ตนเมื่อว่าจะอยู่พบใดแดนใดชาติใดภาษาใดมีแต่ความทุกข์เพราะใจนั้นมันไม่มีชาติท่้นมันละไม่มีภาษาอื ม, มันเป็นแหล่ง ผิดแห่งกรรมทั้งหลายและเป็นครังแห่งริบับะคือผู้รับผลทันทีต้องได้รับความตุกความทุกข์ที่ตนสร้างขึ้นทำขึ้นมากน้อยหลีกหลบหลีกขี่ตัวไปที่ไหนไม่ได้การกล่าวทั้งหมดนี้ให้ต่างคนต่างน้อมเข้าสู่ใจของตอนเองซึ่งเป็นตัวการด้วยกันทั้งหลายเป็นตัวการทั้งเรื่องของ ที่เป็นมานี้เป็นตัวการทั้งเรื่องที่ใ น, ในทั้งเรื่องทำละทั้งเรื่องแกอืขต้องฝืนส่วนกิเลสนี้ต้องฝืนเพราะกิเลสเคยฝืนเรามานานแล้วเคยบังคับเรามานานแล้วคราวนี้เราได้อ่านได้ทํามาจากพระพุทธเจ้าจากครูจากจอาจารย์เอานี้เป็นเครื่องมือสู้กับกิบเลสสู้ไม่ถอย ขึ้นชื่อว่าสู้แล้วมันจะต้องมีที่แรกเรายอมแบบหมอบราบเลยพราไม่สู้ทีนี้ขั้นตอนมาเราสู้แม้จะมีแพ่มันกว่าตามขึ้นชื่อว่าสู้แล้วยังดีะคราวนี้แพ้เอากําลังยังไม่พอก็ต้องแพ้เอาผิดใหม่สู้เอยสู้ไปสู้มาชนะไปเรื่อยชนะไปเรื่อยจะมีความชนะมีมากขึ้นมากขึ้นต่อไปความแพ้จะไม่มีนานตัง้งแต่ทาไมไมันเป็นอย่างนั้นละ่ะอีกดวงนี้ คือว่าทําแพ้แล้วให้ตายเสียดีกว่าดีกว่าอย่าให้เหลือเลยซากอัตภาพนี้ให้ตายเสยดีกว่าที่จะมาเจอความแพ้ขอให้ชนะโดยสายเดียวเท่านั้นในจิตนี้ไม่ชนะให้ตายนานตังคดิเด็ดไหมจิตดวงเดียวนั้นเนี่ยดวงที่อวนแออวดวงที่ร้มรุกมคู่ครั้นแหละ เวลาฟิดตัวขึ้นคิดตัวขึ้นโดยอดโดยธรรมได้รับการสุกฝนอบรมเมกําลังวังชาทางความรู้ความฉลาดตลอดถึงผลที่ได้รับก็กลับตาจักกลับใจนั่นแหะเป็นเครื่องสนับสนุนจิตใจถึงขั้นที่ว่าให้ตายเสียดีกว่าที่จะเจอความแพ้ไม่ประสงค์อีกแล้วเรื่องความแพ้นี้ไม่เป็นของดีเลยสัตว์แพ้กันก็ยังไม่ดีเขาแข่งกีฬากันแพ้กันผู้ที่แพ้ก็ต้องเสียใจแม้จะทำมาเล่นก็ตามมันยังเสียใจ เรื่องของมัรคตรรารเรื่องความเกิดความตายเรื่องกิเลสกับเราเป็นเรื่องวความุคลองทุกแพ้แล้วการแพ้สิ่งเหล่านี้เป็นของดีแล้วเหรือนั่นเอามาชิดเองไม่ใช่เป็นของดีเลยเป็นเรื่องใหญ่โตมากมายทําไมจะยอมแพ้มันได้เรื่อยล่ะเอาให้สู้ให้ได้เชิมกระทั่งชนะได้เป็นลําดับลำดับและไม่มีคำว่าแพ้จนกระทั่งชนะไปเลยอนี่เป็นผู้กระเสร ถ้าลงรัชชนะไปเลยแล้วทีน่นี่อันเรื่องว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูนมันหมดไม่มีอะไรเหลืออยู่ภาในใจเลยเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นกิเลสทั้งนั้นที่ว่าตายแล้วเกิดตายแล้วศูนย์นรกมีหรือไม่มีสวรรค์มีหรือไม่มีเรื่องความสงสัยเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นเพราะว่าชนะไปเลยแล้วเรื่องเหล่านี้หมดภายในหัวใจความสงสัยสงเัยอะไรเหล่านี้ซึ่งเป็นนิวรณ์เครื่องกัน้นกลาง ขั้งกันก้นๆางทางดีของเราแต่เปิดทางชั่วให้ทำมีหมดตปใีหลังงานของเรางานหรือภพหรื้ชาติงานสร้างคุณงามความดีเป็นงานสำคัญอย่างยิ่งเพราะงานนี้เป็นงานเกี่ยวกับทางวัตะความหมุนของใจเรื่องความเกิดแก่เสด็บตายไปพบนั่นภูมินี้เกิดที่นั่นตายที่นี่ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องที่เราจะต้องรับผิดชอบเราไปตลอดสาย เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเราต้องปฏิบัติตัวของเราเราต้องรีบกลับเยียมเสียตั้งแต่บัดนี้ให้เต็มทิกน์กำลังความสามารถหากจะไปเกิดในภพใดก็ขอให้พร้อมด้วยคุณสมบัติที่เราสร้างมา น, นี้เป็นผลเครื่องเสวยของเราเราไม่เสียท่าเสียขีไปพวพไหนก็ไปก็กำพะให้ไปนี่ใช่าหมเราไม่ฝืนเราไปความดีมีเราเสวยใหม่เราจะให้ไปแบบที่แบบหมดท่า ทาไปหมดท่าดูก็หมดท่าอะไรหมดท่าทั้งนั้นสิ้นท่าทั้งหมดคนสิ้นท่าเป็นของดีแล้วเหรอความสิ้นท่าพะยะคืเป็นของดีเรารู้อยู่ทุกกฎพยายามสร้างหิตใจเป็นของแก้ไขได้มันชั่วแก้ให้ดีก็ได้ทําไมจะแก้ไม่ได้ถ้าแก้ไม่ได้บระเจ้าจะบริสุทธิ์ได้ยังไงบาปมีด้วยกันเกิดไม่ท่ำลารทํากลางแห่งบาปนี่นแหละคนเราแห่งบาแห่งชีวิตตันหาซะว่แห่งบุญคือความดีวาสนาขงตนนั่นแหละ ไม่ได้เกิดจากที่ไหนเพราะไม่มีที่เกิดมันมีเท่านั้นก็ต้องเกิดอยู่ในท่ามกลางสิ่งเหล่านี้อันไหนที่ควรแก้มก็แก้กันไปเรื่อยๆด้วยความดีของเราแก้ไปแก้ไปทางเดินของเราก็กว้างขวางออกไปเรื่อยๆราบรื่นดีงามไปเลยอ่าไปพบไหนก็ไม่เสียค่าคนที่มีความดีแล้วไม่เสียทั้งนั้นต้องดีเสมอมีความสุขความสบายเสมอไปจนกระทั่งอุปนิสัยวาสนาสามารถเต็มที่แล้วก็ผ่านไปเลย การผ่านปนัณิผ่านไปด้วยความดีทั้งนั้นความดีเป็นเครื่องสนับสนุน <S <S ให้ผ่านไปได้เท่ามีความดีไปไม่ได้เนี่ยอยากไปด้วยกันทุกคนนั่นแหละทำไมติงตาไม่ได้เพราะกําลังไม่พอที่จะไปถามว่าไปได้ด้วยเพียงความอยากเท่านั้นโลกทั้งโลกนี้ใครจะไม่รับความทุกข์ความลาบากนี้เลยแม้ตศาสตร์เขาอย่างตัวทําไมมนุษย์ฉลาดกว่าเขาจะไม่กลัวเรื่องทุกข์จะแบบถามอยู่ ท, ทําไมทั้งที่รู้อยู่ยอยากพ้นจากทุกข์อยู่ ทำไมให้พ้นไปเสียถ้าว่าความอยากนั้นสําเร็จประโยชน์ว่าให้พ้นไปได้เหนี่อยไม่ขึ้นอยู่กับความอยากเป็นั่นขึ้นอยู่กับการกระทําขึ้นอยู่กับการก้าวเดินเราจยากไปถึงที่นั่นเราก็ต้องก้าวต้องไป่นันก็มีเวลาถึงถึงที่นี่จะถึงที่นั่นถึงนั่นถึงที่นุ่นแล้วถึงจุดหมายปลายทางวิเยนั้นทุขธรรมเจติหนะคนจะล่วงพ้นจากทุกข์ไได้โดยลําดับลาดับเพราะความเพียรืออย่างนี้เป็นหลักใหญ่ นี่แหละเป็นธรรมของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพ้นจากทุกข์ได้เป็นศาสตราของโลกเพราะความเทียนไม่ใช่เพราะความท้อถอยอ่อนแอเราเป็นลูกศรริษย์ตถาคตพุทธบริษัทจะหมายถึงอะไรถ้าหมายเป็นลูกท่าหลอกกอของพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์พาเราดําเนินยังไงเพระองค์เดินก้าวหน้าเราเดินถอยหลังยังจะเข้ากันไม่ได้เดินก้าวหน้าแล้วก็ต้องก้าวหน้าไป กระชากหรือเี็วก็ตามค้อนความพยายามของเราเป็นไปตามตติกําลังความั้ของเราอย่าลดละความเพียรเท่านั้นก็เชื่อเป็นลูกศิษย์ที่มีครูอสอนดําเนินตามครูศาสนาเราสร้างทุกวันทําไมจะไม่เจริญพระพุทธเจ้าเขาสอนแล้วว่าให้สร้างคุณงามความดีเพื่อเป็นอำนาจวาสนานพะเราสร้างอยู่ทุกวั น, ท, วนทุกเวลาทําไมจะไม่เป็นอานาจเป็นวาสนาทําไมจะไม่สนับส น, นุนลวดาว คามจริงต้องเป็นเครืสนับสนุนอยู่โดยดีตามหลักธํามที่ท่านสอนอยู่แล้วทําให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยลําดับผลยุดท้ายก็เป็นไปหน้าเช่นเดียวกับพระโธตจานั่นแหละนังที่กล่าวเมื่อสักครู่นี่ว่าที่นรกก็ยอมแพ้ไปก่อนเอาสู้ไปแพ้ไปสู้ไปสู้ไปแพ้ไปต่อไปสู้สู้สู้ไปแพ้ไปบ้างชนะไปบ้างเนี่ยค่อยสับมันไปแล้วทั้งแพ้ทั้งชนะสั บ, บมันกันไป ทีเขาทีเราเรื่อยไปต่อไปก็ทีเรามากกว่าทีเขาต่อไปทีเรามากเขามากเข้ามาเขามีแต่ทีเราอืพ้นกิเลสมอบนอกจากหมอลักห้าที่ผายหมดไม่มีอะไรเหลืออืชาทเลีดแล้วไม่ต้องบอกเรื่องความพ้นคุกคนอยู่ในกองทุกข์เพราะกิเลสชาอยู่ในกองทุกข์เพราะกิเลสเท่านั้นม่ใช่เรื่องอื่นเรื่องใดเลยเราจึงไม่ควรมองเห็เรื่องของกิเลสว่าเป็นของเล็กน้อยก็คือเรื่องของทุกนั่นเองน้องมันซึ้งซงมันอยู่ในใจของเราเนี่ย น้องเห็นที่นี่ฝึกกันที่นี่แก้กันที่นี่ฆ่ากันที่นี่ตายกันที่นี่ไม่ต้องเกิดกันที่นี่แหละนี่ที่สิ้นทุกข์ก็อยู่ที่นี่ไม่อยู่ในที่อื่นใดขอให้พากันนำไปพิมพ์พิจารณาควาเพรียคุณงามความดีอย่าลดละความภาคความเพียรอันใดก็ตามขึ้นคือว่าความดีจะเกิดขึ้นจากการให้ทานก็ตามชินรักษาชินก็ตามภาวนาก็ตามเป็นความดีด้วยกันทั้งนั้นรวมเอาแล้วก็เป็นมหาสมบัติเป็นเครื่องสนับสนุนจิตใจของเรา ให้ไปด้วยความเป็นสุขเป็นสุขเกี่ยวกสุกโตสุก โ, โตดูก็สุกโตไปก็สุขโตถ้าคนมีบุญเพราะการสร้างบุญไม่มีอย่างอื่นมีอันนี้เป็นสมาขขนขอจึงขอยึดติการแสดงถืงอน